ก็ว่าคือเขาพยายมจะขัดเก่าอะแต่โยมก็เขาจะติดก็แบบว่าติดเพราะว่าการยื่นกับคนนะริงมันไม่มีทางที่จะไม่ติดไม่บอกเลยแค่นี้คือพี่เขาพยายามอยู่แล้วว่าเออตังอาจารย์เอามาเป็นแบบมันก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วคือคือเายังฟังน้อยไปเ้าต้องฟังต่อเพราะว่าเพราะว่าอเยช้นอยู่หรว่าโยมว่าอยู่ที่ตรงนั้นนะเราะโเนี่ยไม่มีใครที่มาดูเขาเได้ฟังคำแจริงจ ไม่ค no ือจะติจาดก่า hmm. ท yes. uh ี่อาจารย์สอนให้ตื่ให้คิดให้โยนี้สให้สมาทาแต่พอกระมากบความจริงที่ว่ามันเป็นชีวิตจรนที่ต้องมายุ่งกับคนไม่ใช่แต่พระนะคะโยมเนี่ยโยมด้วยอะโยมผีคนที่ยุ่งกับพี่วราไม่หลายคนนเนี่ยเขาบอกวันเมื่อวานเนี่ยต้องไปโยมคนที่โยมไม่เอ่ยชื่อ่ะเราว่าเพราเต้องมีคนต้องมโยมเชื่อว่าแกแกก็ทาได้ดีแกโตมาก โทมาหานี่มันเล่ า, รราอัลมาล้งพูก่อนบอกว่าก็ ก, ก็ทาให้ความติดขัดที่เคยผ่านมาโล่งเดี๋ยววันที่สิบแปดสิบก้าจะไปฟังอีกต่อไปก็ผมจะชัดเจนที่ฟังมาเป็นที่ที่ว่าโรหาอาจารย์เดยบอกเงพพพพพเพราะว่าเขาเป็นทิจารยหนังสือโยงบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์โอเคเลยค่ะเพราะว่ามีมียงจากางรเทศมาหาอาจารย์บางคำเนี่ยค่ะเพราะแบบติดต่อไนที่โทรได้บอกเขาออาจารย์ต้องา เรรู้สึกเขก็ใส่ใจเช่าเท่าที่เห็นนะจริงๆที่ราาหไปไดกลนะคือ yes, อัธยาศัยมีมีอันสเป็นคนนอี่จะักมีปนิสัยเขนอนนอนถนัดเขาตอนเช้ามามาคุยกันนะอุ้ยผมทอย่างนี้เาทนะเนี่ยตาใคามวิรร แล้วอะตอนกล่าวผูค้คุณที่ว่าเวลาอาหารทั้งๆที่ปากพูดนะฮะบอกว่าโอ้โหถวายชีวิตด้วยเสียคลาพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ช่นเถิด้วยเสียคลาด ใ, ใจใจใจไม่ลงลงอ่อาค่ะปากเลยค่ะปาปแต่ปากคนนี้จะไม่เอาแน่ขอท่าได้ยินท่านนะถ้าใอยากกาว่าจีการมนการ ก, ก็ต้องทำให้ได้เลยวแล้วจะทาให้ได้ดีีต่างใ่ค่ะแตะมามียอมคนมง นี่ก็เลาได้ไเธอผมปเคยรู้จักแต่มีคนส่งเทสให้ไปฟัง ไ, ได้อยู่ภูเกแล้วก็รู้สึกพวกกาเนี่ยไปให้เบอร์พระทวทูโทร ม, มาถือติดขัดฟั ง, ฟ ง, ร, ง, ง ร, ร่างกันเลยว่ติดขัดเรืการเดร็ววิถีพุธิ์นยมากักอธิบายความอธิบายพิว่าเป็นชุมชนไเธร้องให้เอแบบว่อนพระะปลเธอร้องอน เริ่มเริ่มเข้าใจปรมาณว่ับแล่สภาพผมนี้มันเกิดขึ้นมาเลยจะไข้ควรก็ไข้ควรหาที่ันะคเพาโกขาก็เกิดปีกนะอย่างว่าก็้เป็นฉเลยเกิดปีกกบฏมาปัจจุบัปัจจุเขาคยมาพยายามเชื่อมโยงให้ถึงมองมเห็นมามีหน้าที่ว่าเราจะเชื่อมบุคคลเหล่านี้ถึงจิตใจได้หมดตาเลยก็อเพื่อธรรม คือเนเนี่ยศาธนาจะเข้าขัาา้วพระจาแลราเขาทำหน้าที่ว่าเชื่อมบุคคลนั้นให้เข้าขั้นนวไม่ใช่เชื่อมบุคคลนั้นมาหรอกไม่ใช่แต่ก็ เ, กเามาฮะกตตรงนี้ก่อนรเราเราเราต้องบอกขา้าบอกเขา้าว่าเราไม่ได้ต้องมีสารเป็นพุทธเจ้าเป็นกไ้ของเาเาตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้บุคคลนี้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 ยังอยากได้ให้คนอื่นเอาไปามีความเข้าใจมีมีมีข้อปฏิบัติตามนั้นได้อันนี้มันก็เป็นความความภูมิใจของเราณนาขัแต่ว่ า, ามีไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดลิงโอดใจหรือไม่ได้คล้อยตามไปกับคำาุกย่อสรรเสริญอะไรทั้งหลายในอะไรอย่างนี้ค่ะใช<ค>่ดููใจดูใจตัวเองจริงๆ <S <S อเพราะว่าพยายามเหลือเกิน คือการการเขียนห น, นังสือในต้นหมายฟังบอกว่าถ้าบอกว่าก็คือเน้นเราเน้นหลักหลักการก็าถือว่าคือต้องการจะนำเส น, เนอพระไตรปิโกอกริถกตาและดีการหรือกับอื่นๆเห็นไหเพื่อจะได้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ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 อ่ะทำไมมันเป็นอิสระเอาตอนนี้เป็นพุทธพจน์นะคนจะไปโจดตีผู้เขียนไปได้นี่พุทธพจน์ที่เป็นอักษรฐฐที่เป็นดีการคุณอ่านไปเสร็จนั้นผู้อ่านกับผู้เขียนเนี่ยเลยเป็นอิสระต่อกันแล้วกันอ่านเป็นอิสร ะ, ะ <alive. S 2> อืมให้เป็นอิสระก็คือไม่ต้องมาปูกพันเนี่ยทำไมคุณเขียนอย่างนั้นไม่มีเล ย, เลย <S <S ขพราะแล้อมันเป็นอิสระอย่างนี้นะั้นเราเขียนอย่างผู้ศึกษาในขณะที่เราเขียนไปเราก็ได้ศึกษาคเราก็ได้อ่านเราก็ได้เกิดความเข้าใจ แล้วก็ยออ่อในน้อมรับคําทวงดีงด้วยความเมตตาปราณีต่อกันได้การหวังดีต่อกันและกันนี่หัวใจของผู้เขียนอันนี้อยากจะเอาลงในคันนี้ด้วยอีกทีหนึงเมือม่อเมือ่อ ธ, ธุกรกิจก็พูด<ช>แต่ไม่ได้พูดจะแจ้งถึงอย่างนี้เพียงแต่ว่ายินดีที่จะรับคำติชมอะไรเพื่อจะได้มาปรับปรุงอะไระให้ดีขึ้นแต่อันนี้จะจะขออนุญาตเขียนอัน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 ความเป็นอิสระของเราจาับหนีไม่ได้ก็ต่อเมื่อเราได้อธิบายอะไรเกินถูกใช่ไหยกกลัวที่สุดอันนี้เกินเลยไนงะพอเกินเลยเป็ดเสร็จอันนั้นนะ่ะเราจะปัดภาระราความรับผิดชอบไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้ยแล้วมันจะจำหลักอยู่ในหัวใจเองก็กเลยไป็ความผิดพลาดอันนั้นนะคะคือตรงนั้นนั่นแหละก็คือก็คือจุดที่จุดที่มันมันไม่ได้เป็นอิสระเลยทีเดียว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 ในคำวิมารจะมาในกาเป็นต้นนี่เราจะได้มองเห็นจุดต่างนี่เป็นแต่วัตถุใช่ไหมใช่ใช่ระหว่างอัสาทะกับอาชินวะ<อ>ระหว่างสุขสมานะกับทุกทุกโทษจะได้เห็นชัดว่าภพภูมิเป็นยังไง อ, อ, อันนี้นะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะมองโดยตรงมองในตรงของคำว่าในทางด้านสรุปลงอัศทะาาอารชินวะ แล้วก็นิสระนะเลยก็ไปดูในในทุกขะมหาทุกขาขันตสูตรจุาทุกขขันตสูตรในมัชิมนิการนะจุฬาทุกขาดขันตสูตรทุกขาดขันตสูตรนี่ตรงนี้ท่านจะกล่าวทั้งอักษาทั้งอาทินะวะแล้วก็นิสระนะหรือนะหรือใน ปาราสีสุที่ไหนเราก็ไปหยิบข้อความบั ง, บงติดบางตอนมาทั้งในชั้นของบาลิลาาสตัสมาชิมานิานาานกานอย่างนี้จูระนี่คืมาชิมานิกาใช่ๆทั้งจูระุกามากกนั่นในในส่วนต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะอธิบายทั้งส่วนที่เป็นอาสาทาส่วนที่เป็นอารจีนวะแล้วก็บอกแล้วก็บอกนิสระณะนี่เปสูตรใช่ครับ ท่านจะบอกว่าอู๋ว่าในสมวนของอัศว์ท่ามีนะหรือท่านในปาสราสิสูตรใช่ไหมที่ตอนที่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านพิศรณะหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือว่าในมาคันธยสูดอ๋อใช่ไห ม, มนในมาคันธียสูตรเนี่ยน่าจะอยู่ในไม่มาชิมิอันิการทคีขันติก า, กา ม, มันจะไม่ค่อยชัดในะตรงนี้นะเจอ<น>มันดูมันนานเลยอย่างเนี้ยท่านจะพูดถึงในเรื่องของการมบุคคลท่านในมาคันธยสูตร ท่านจึจะพูดทันทีท่านก็อาจะถาเขายกอุปมาเรื่องกรรมคุณเลยว่ากรรมคุณเนี่ยสมัยที่พระพที่ตถาคตเคยได้สมัยเป็นเป็นมหาบุรุษอยู่ขนาดไหนโอโอหรือถ้าถ้าต้องการอยากจะยกแบบอประเทศที่เอาของพระพุิธศาสนาเลยนะก็ต้องไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรในภาพของอุเทศท่านในภาพของอุเทศไม่ชัดตอนที่กล่าวถึงพระเจ้ามันธาตุล่า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 แล้วยังไปปกครองในสวรรค์ชั้นดาวดึงดีกจนเท้าสกัดตายไปสามสิบเอ็ดงค์ถึงสามสิบกองค <36 S 1> ์แต่ความสุขที่ดื่มด่ำจากอาสาทาก็ไม่อิ่ม mm hmm. กล่าวถึงโทษของตัณหาเนี่ย mm hmm. กล่าวจนพระบรรลุได้เลยอ่ะสุดนี่ oh. จนพระ <c oughs> อยากที่กรสันจะสึสกเนอ้โหไม่สึกเลยเนียเ mm hmm. อย่างนี้เป็นต้น mm hmm. คือพูดถึงในด้านของตัณหาพูดถึงด้านอาสาทะพูดถึงด้านสุขสมณนนะ และในที่สุดจริงๆตัเองก็ต้องมาตายลงยนี่พูดถึงโทษโทษต้นการเสกกรรมคุณจนตายเนี่ยาจะร่วงมาจากสวรรค์เช่นดาวถึงแล้วตกมเมื่อเย็นอุทยานแล้วก็เขียนเป็นจาวลึกเอาไว้ว่านี่ไงพระเจ้ามันคาตุราษณะขนาดนี้บุญขนาดตกถ้นนนหาหัดสามครั้งมีฝนกระหายนะลอยตกลงมานี่ยังไม่อิ่มไม่ยังไม่อิอออ่จะได้ให้คนทั้งหลายที่กระหายนี่อัศาธาทั้งหลายให้รู้ว่าอัศาธาในกุเศลไปเถอะ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 สริตาณีสิเนหิตาี่าโสมณัฐิชเิตาสุเคสีโนเตเวชาติฉร ख ाคานารากสินายาปุระกัตตาปะชาปาริตปาสัมติสัสวัฏฐิตโช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 โอ้โหน่ากลัวเรืงสังสารเลยวะนี่ไงเล่าเรื่องสงสารเลยวะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอย่างเงี้ยสรุปให้คนเห็นโอ้โหอ่านอะไรน้ตาคอเห็นสงสารเลยวะน่ากลัวเนแล้วน่ากลัวโอ้โหเป็นพมเป็นเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นยาจบวนนี้พบเป็นแม่ไก่บ้างเป็นหมูเป็นสุกรใช่หจะต่อมานี่มาเป็น ม า, มามาบวชเป็นพิจูนีแล้วได้บรรลุแล้นึกถึง1 3 1สีอัตภาพพุทธเดีแล้วมาเล่าสียบสังเวีแล้วนางก็ไปลิบิพานไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นมีแหมถ้าอย่างนี้เห็นความเป็น<ช>บางสัง 3, ส า, า<ช>รัลวค่คนปัจจุบันในยกอย่างนี้เขาชเใชนก็ที่ที่อ่านดูไอไออสารท่เวทนาลูกสัญญาเวทนาที่เกิดที่อะไรฮะที่ให้ให้คุณน่ยทูคุณนะ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 คือเชื่อมโยงเห็นอ๋นี่ไงสังสารวัตรอ๋อนี่ไงอาชีนวะอ๋อใช่ให้มันเห็นเห็นชัดชัดชัดเจนขึ้นอีกนอกจากคำพูดแค่นั้นใช่ใช่เพระเห็นบุคคลเห็นเรื่องการดูพนี้่เลยสรุปรงอริยศาสตร์แล้วเขาลงในสัจจสมยุติเขว่าไปนี่ยท่านในรักท่านไหนเขาจคิดคนนี้ในลักษณะนี้เราเราจะเอาทีละ เอาทีลย่างดีไหมฮะหรือว่าจะเอาไอท้ที่อธิบายที่มีทั้งอัจฉริะมีทั้งอาทีนะว่ามีทั้งนีาา่ฉันั่ง อ, าาอยู่ในเรื่องเดียวกันอ๋อมันอยู่ที่วิธีนําเสนอเออที่ถามดีถาม ด, ามดีก็คือว่าถ้าเอางี้นะเนี่ยลมดับในคำพีชนารังกาแล้ว<ะ>สังเกต ด, ดูให้ดี<ะ>ให้ก็เรียนเงนแบบเนี้ย น, นะสุขสมมั้นะแล้วก็เปอารทีนะว่าเห็น<ะ>ไหม ถ้ทาท่านก็ไปสรุปลงการบรรลุ ข, ของพระพุทธเจ้าเห็นไหมไม่อธิบายก็เด็กขุนท่านจะยิ้มที่บา ย, ายาาเรียนมันดับแน่เลยแต่ยงเราไม่ได้สังเกตไปส่วนไหนไเป็สนส่วนไหนเป็นอัาธาส่วนไหนเป็นอารีนว่าส่วนไหนเป็นวิสารนะส่วนไหนเป็นอันผลเป็นอุบายเป็นอันนะ<ๆ>เราไม่ได้สังเกตแท้จริงท่านเรียนมัาดับตามเทศนาหานะของพระพุทธเจ้าเพราะท่านชํานาญกันอยู่แล้วบุคลเหานี้ที่ท่านเขียนคำพีทั้งหลายเ่านจะแต่ว่าท่านยกเป็นเรื่องๆไว้ค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 อธิบายทุกอย่างทุกอย่างไปตามข้อความนั้นก่อนแล้วมาสรุปตอนท้ายก็เอาเอาเอาสูตรที่มีทั้งสรุปทั้งหมดเลยนั่นแหละมีอาสะทัสุดท้ายเอาเอาที่ว่านี่นะะแล้วชี้ชี้ให้ชัดว่าอันนี้คือจ้ะถ้าอย่างนั้นเขาต่อไปนี่เป็นประโยชน์ของผู้อ่านเพราะผู้อ่านทีอ่านก็ใจพิดเพาะกแยกไปแยกได้ทำให้เาแยกจดโอ้แล้วอ่านก็ใจปิดกดานาน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 สมัมมาสนญายยาอุทิยปัญาอยางเป็ต้นแล้วก็ประหารปริญญาพูดถึงละปัหาที่เละตั้งแต่ตัดทางค่าจนจะถึงวิขัจนถึง<น>สมุเจเต า, า, าัจนถึงอามะจนถึงมรรคผลแล้วก็<โ>แยกได้มเพราะเขาเรียงลาดับไว้อยู่แล้วรากวิปัสนาญาณชีโยงเชื่อมโยงสายเขาเห็นย่านี้เอาตรงนั้นดีกว่าใช่มไออปริญญาไม่ตรงนี้ไม่ต้องออกมาเข้าแล้วมันมันมันจะมากไปจะหลายชั้นเถอ เพราะว่าการแสดงทำนะและแต่ว่าจะแสดงมุมไหนมุมมิสุดที่เจ็ดหรือมุมมิปัสนายานสิบที่แบบนาญานสิบหกหรือมุมปริญญาสามใช่ไหมันไม่ไ้แต่แสดงไนงะเพราะว่าคนที่เขาเข้าใจเขามองได้ทุกมุมใช่ไหมนตรงนี้มองได้ทุกมุมแต่ว่าถ้าหากว่าเราเราจะนำเสนอมุมไหนก็ชี้ให้ชัด นี่เรามุมเรื่องสังสารวัฏก็ชี้ให้เห็นว่าสังสารวัฏที่เป็นไปในส่วนของวิวัตครมมีกุศลเนี่ยเป็นยังไงในส่วนของวิวัตครรมีกุศลเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องอ่ะแล้วที่ผ่านมานั้นสัตว์เจริญวิวัตครมมีกุศลกันทั้งนั้นหเือจึงไม่เห็นโทษของสังสารวัฏเพราะสัตว์ไม่ได้เจริญกุศลประเภทวิวัตครหมีนี้พอเริ่มชี้อย่างนี้เบ็เสร็จแล้วเขาก็จะเริมกนะครับ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 ให้เข้าใจก่อนตัวสังสารวัตรตัวแกนหลัก <S 2> <S 2> <S คืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจแกนหลักข อ, องสังสารวัต ท, ที่เป็นเรื่องเรื่องของ ข, ขัธนธ์ธาตุญาณะนะเนียน่ยนะถ้าเข้าใจเรื่องแกนหลักของขันธ์ธาตุญาณะแล้วอันนี้เป็นสภาวะเป็นปรามาจาธรรมขันห้าเป็นปรามาจารธรรมธาสิบแปดเป็นปรามาจารย์ธรรมอาญตนะสิบสองเป็นปรมาจารย์ธรรมโอ้ยทํา่าสังสารวัตนี่แกนหลักจริงๆคือสภาวะที่เป็นปรมาจารย์ธรรม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 คือที่จีเยสิกในโลภมูุจิตดวงหนึ่งเป็นเหตุแล้วไหมภาวะคือเจตานาที่ในโลภมูุ 0, 5, 7, 2, 1, จิตดวงที่หนึ่งจิตเกิดขึ้นเพราะ